ผู้มีความสุขในโลกหน้ารพระพุทธภาษิตนาเวกระดะวิยาเวะโลกังว่าชันติบาลาฮาเวนับประสั่งสั้นติณดานังทีโรจะดางอันโมดมานเตเนวะโซโหติสุขีปรัฐถะแปลว่าว่าคนตรณีจะไปเทวโลกไม่ได้เลยคนผ่านทั้งหลายย่อมไม่สังเสริญทานแต่นักปราร์ตอนุโมทนาทานอยู่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 รู้จักสแสวงหาพัสดุที่หายแล้วความจรรีและฟุ่มเฟือยจึงไม่ดีส่วนความมัธยัติประยัดนั้นดีบางคนหาความสุขจากการมองดูทรัพย์ที่เพิ่มพูนขึ้นมีความทุกข์ใจเมื่อจ่ายออกไปอย่างนี้แหละคือลักษณะของคนตรณีทรัพย์ของเขาไม่เป็นประโยชน์แก่ใครเหมือนน้ำอยู่ในป่าลึกซึ่งมนุษย์ไปไม่ถึงหรือเหมือนน้าเค็มแม้มากกาดื่มไม่ได้ท่านจึงว่าทรัพย์คนดีมีน้อยพลอยได้พึ่ง เหมือนน้ำบึงน้ำบอ่อพออาศัยลาบคนชั่วมากมีตรณีในดื่มไม่ได้น้ำสมุทรมันสุดเข็มความตรณีลาบเป็นความโงกเขาอย่างหนึง่งเหมือนชาวนาะผู้ไม่ฉลาดไม่ยอบวันพันข้าวลงในนาเก็บพันข้าวปลูกไว้จนเน่าเปื่อยไม่สามารถปลูกได้อีกรอบสมบัตินั้นบางทีมันก็จากเราไปเพราะภัยต่างๆมีอคีภายเป็นต้นบางทีเราก็จากมันไปก่อนเพราะความตาย พล้วก็มีพระภาคเจ้าทรงปลาระรเพื่อนี้ทรงแสดงไว้ว่านกชื่อไมฮะกะบากเที่ยวไปตามซอกเขาและที่ต่างๆมาจาักต้นเลียบต้นเลียบคือไม้พันยาอย่างหนึง่งใบและลูกคลายโพในเมืองไทยเห็นมีทางจังหวัดภาคใต้ที่มีผลสกแล้วร้องว่าของกูของกูใ น, นขณะที่มันร้องอยู่อย่างนั้นนั่นเองหมู่นกเหล่าอื่นบินมากินผนเลียบตามปรารถนาแล้วจากไป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 พินาศผุพังไปเองเหมือนผลเลียงแม้นกไปมากินมันก็สุกล่นไปเองเขาก็คงครั่องพรวว่าของกูของกูอยู่อย่างเดิมเพราะฉะนั้นคนฉลาดเมื่อหาทรัพย์ได้แล้วพึงสงเคราะห์คนที่ควรสงเคราะห์มีญาติเป็นต้นเมื่อทาได้ดังนี้เขาย่อมได้รับเกียรติและเมื่อล่วงรับไปแล้วย่อมเข้าถึงสุขติบันเทิงในสวรรค์คนตรนีไม่มีใครต้องการครบหาสมาคมแม้ร่ำรวยก็หาบริวารไม่ได้ เหมือนต้นไม้ใหญ่แต่ไม่มีใบอันเป็นร่มเราใครเล่าจะเข้าไปอาศัยเขาต้องอยู่อย่างว่าเวเดียวดายวันประชิดหรือคขาเลื่หัดผู้ตรณีได้ทรัพย์มาแล้วเก็บตุนไว้ไม่ทายเทให้ผู้อื่นบ้างเป็นเหมือนน้ำตายไม่เป็นประโยชน์แก่ใครและสกระปรกเน่าเหม็นง่ายส่วนผู้อุตรนีเหมือนน้ำที่ไหลเอื่อยอยู่เสมอกระแสก็ไม่ขาดเป็นประโยชน์แก่มนุษยชาติทั้งหลายคนตรณีมักมีกิเลสอย่างหนึ่งตามมาคือความทุศยา เห็นใครดีทนไม่ได้และตามมาอีกอย่างหนึ่งคือความโรคพญานอยากได้มนมีสิ้นสุดคนที่ตรณีเหนียวขี้วฤตยาและโลคจัดจะไปสวรรค์ได้อย่างไรลองที่ดูเถิดเพราะพระเจ้าจึงตรัสว่าคนตรณีไปสวรรค์ไม่ได้ข้อว่าคนพานไม่สนเสริานนั้นอธิบายว่าคนพานไม่เชื่อเรื่องบาปบุญโลกนี้โลกหน้าไม่เชื่อเรื่องทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วไม่เชื่อเรื่องกรรมและผลของกรรม เพาความไม่เชื่อนี้จึงเห็นไปว่าการให้ทานเป็นการเสียเปล่าไม่มีผลตอบแทนอะไรเป็นการยอมเสียเปรียบอย่างโงกเขลาเพราะเหตุนี้คนพานจึงไม่สเสริมฉทานนอกจากนี้เห็นคายให้ทานยังเป็นเช่อีกพ่อว่านัาฬราย่อมอนุโมทนาทานนั้นมีนายที่ตรงกันข้ามกับที่กล่าวแล้วในเรื่องคนพานเพราะการทาทานเองบ้างอนุโมทนาทานบ้างเขาย่อมมีความสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้าเรื่องนี้พระศาสดาทรงสแสดงเมื่อประทับอยู่ณนะเคตวันวิหาร เมืองสาวัตถีทรงปรารบอาสะทิสทานทานที่ไม่มีใครทําได้เหมือนของพระเจ้าปเสนทิโกศลมีเรื่องย่อดอังนี้เรื่องอาัะทิสทานสมัยหนึ่งพระศาสดาเสด็จประทับอยู่ที่เชตวนารามเมืองสาวัตถีพระเจ้าปเสนทิโกศลคูณอาราธนาพระศาสดาพร้อมด้วยพิสุสง์และถวายอาคันตุกทานอย่างประณีตทรงประกาศให้ชาวนครมาดูทานของพระองค์ วันรุ่งขึ้นชาวนครทูลอารัธนาพระาศาสดาและที่สุสงไปสวยและฉันอาหารของพวกตนและทูลให้พระราชาเสด็จไปทอดพระเนตรฐานของตนพระราชาทอดพระเนตรเห็นทานอันมโหฬารของชาวนครแล้วทรงถวายทานอีกทําให้ยิ่งกว่าที่ชาวนครทํำชาวเมืองก็ไม่ยอมแพ้รวมกำลังกันถวายทานให้ยิ่งกว่าที่พระราชาถวายรวมกวางว่าทําบุญแข่งกันในที่สุดพระราชาสู้ไม่ได้ เพราะประชาชนนึ่งมากด้วยกันจึงบรรทมเป็นทุกอยู่ทางทรงล้ำวิว่าทำอย่างไรจึงจะถวายทานให้ชนะชาวนาครได้พระนางมริกาอัครเหีสีเสด็จเข้าไปเฝ้าทรงทราบถึงความธมนัดของพระราชาและทูลอาสาจะจัดทานถวายเองและจะให้ชนะชาวนาครให้ได้พระนางขอให้พระราชารับสั่งให้คนจัดดังต่อไปนี้ให้ทำมนต์ดบสำหรับพิสุขห้าร้อยรูปภายใน วงเวียนมณฑกนั้นทำด้วยไม้สาระและไม้ขานางพิษสูที่เกินจานวนห้าร้อยนั่งนอกวงเวียนให้ทำสเสวยจัฉดห้าร้อยคันจัดหาชานห้าร้อยเชือกสำหรับถือสเสวตจัฉรดกั้นภิษสูห้าร้อยรูปเหล่านั้นขอให้ทำเรือทองคำแปดลำหรือสิบลำไว้กลางมณฑกให้เจ้าหญิงองค์หนึ่งหนึ่งนั่งบทของหอมอยู่ระหว่างพิษุทุกทุกสองรูป คือเจ้าหญิงองค์หนึ่งต่อภิกษุสองรูปและเจ้าหญิงองค์หนึ่งหนึ่งยืนพัดภิกษุสองรูปเจ้าหญิงนอกนี้มีหน้าที่นําของหอมที่บดแล้วมาใส่ในเรือให้จัดเจ้าหญิงเป็นพวกพวกบางพวกถือกําดอกโบโเขียวไปเข้าของหอมที่ใส่ไว้ในเรือทองคำแล้วนําไปถวายภิกษุให้ภิกษุรับเอาไอ้อกเรื่องที่จัเจ้าหญิงให้มาร่วมในการถวายทานนี้ก็โดยทรงดำรํำริว่าชาวนครไม่มีเจ้าหญิงเป็นเครื่องประกอบในทาน เป็นอันได้ชนะชานครไปได้เรื่องหนึ่งสเสวตจัตรของชานครก็ไม่มีช้างจํานวนมากที่นั้นก็ไม่มีพระราชารับสั่งให้ทําตามที่พระมาเมาริกาสรงแนะนําปัญหามาติดอยู่ที่เรื่องช้างคือช้างไม่พอความจริงพระราชามีช้างเป็นจำนวนพันแต่ช้างที่เชื่อมพอจะนํามาถือสเสวตจัตได้มีเพียงสี่รอยเก้าสิบเก้าเชือกขาดไปเชือกหนึ่งนอกจากสี่รอเก้าสเก้าเชือกแล้วเป็นช้างดุร้ายทั้งนั้นพระราชาทรงปรึกษา พระนางมาริกาเกี่ยวกับเรื่องนี้พระนางมาริกาถวายควาเห็นว่าขอให้เอาช้างเชื่อที่ดุร้ายนั้นไปถือสเสวตฉัดให้พระคุณเจ้าองค์คุริมานพระราชารับสั่งให้ราชบุตรทำเช่นนั้นเมื่อช้างที่ดุร้ายเข้าใกล้พระองค์คุริมานมันสอดฐางเข้าไปในระหว่างขาของมันปลดหูทั้งสองยืนหลับตานิ่งอยู่มหาชนตามองดูช้างดุที่ยืนหลับตาอยู่ใกล้พระเถระและชมว่า พระคุณเจ้าองคุลิมานมีอันบ่าถึงป่า น, นี้พระราชาทรงอังคาตพิสุสงฆ์ซึ่งมีพระพุทธเจ้าทรงเป็นประมุขด้วยอาหารอันประณีตและด้วยพระหฤทัยอันอิ่มเอิบถวายบังคมพระสัสดาและถูนว่าสิ่งทั้งปวงในโรงทานนี้ทั้งที่เป็นกับบิญญาัณฑ์และอกับบิญญัณฑ์สิ่งที่ควรแกร่สมณะและไม่ควรแกร่สมณะหม่อมฉันขอถวายพระองค์ทั้งสิน้นในฐานนี้พระราชาทรงสละทรัพย์สิบสี่โกศหมดในวันเดียว ของสี่อย่างคือสเสวยตะฉาดหนึ่งบาลังสําหรับนั่งหนึ่งเชิงบาทหนึ่งตังสําหรับเช็ดเท้าหนึ่งที่พระราชาถวายพระศาสดานั้นเป็นของหาค่าไม่ได้คือค่าสูงจนไม่อาจคำนวณได้ท่า น, นกล่าวมานี้ไม่มีใครสามารถทําได้อีกในสมัยแห่งพระพุทธเจ้าองค์เดียวเพราะฉะนั้นท่านจึงเรียกทานอย่างนี้ว่าอาสะิสะทานคือทานที่ไม่มีใครทําได้เหมือนท่านกล่าวว่า อาสะที่สถานนี้มีแก่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์แต่พระองค์ละครั้งเท่านั้นสตรีย่อมเป็นผู้จัดแจงทานนี้เพื่อพระาศาสดาและภิกษุสงฆ์เมื่อพระราชาชทรงบำเพ็ญอาสะที่สถานอยู่อย่างนี้มหาอามาตย์คนหนึ่งชื่อตาะลัรู้สึกเสียดายพระราชท้าเทือประมาณเขาคิดว่านี้เป็นปายเพื่อความเสื่อมแห่งราชประกูลทราบถึงสิบสี่โกดหมดในวันเดียว ที่สุดทั้งหลายบริโภคอาหารที่พระราชาถวายด้วยศรัทธาแล้วก็นอนหลับมิได้ทำอะไรให้เกิดประโยชน์ราชตรกูลจิบหาซะแล้วส่วนอมาตย์อีกคนหนึ่งชื่อชุนหะคิดว่าอาทานของพระราชายิ่งใหญ่น่าเรื่มเรยจริงทานอย่างนี้ผู้ที่ไม่เป็นราชาไม่อาจทำได้พระราชาย่อมต้องทรงแบ่งส่วนบุญให้แก่สัตว์ทั้งหลายเราขออนมทนาบุญ น, นั้นเมื่อพระศาสดาเฉลิเสร็จ พระราชาทรงรับบาตเพื่อให้พระพุทธองค์ทรงอนุโมทนาพระศาสดาทรงดำริว่าทางของพระราชาครั้งนี้เป็นประดุดพ่วงน้ําใหญ่มหาชนมีจิตเลื่อมใสหรือไม่หนอทรงทราบปราจิตคือความคิดของอำมาตย์ทั้งสองแล้วทรงทราบว่าถ้าจะทรงทําการอนุโมทนาให้สมควรแก่ทางของพระราชาในครั้งนี้ศีลธของการละอำมาตย์จะต้องแตกเป็นเจ็ดเสี่ยงส่วนชุนหะอำมาตย์จัดดำรงอยู่ในโสดาปติผล ทรงอาศัยความอนุเคราะห์ในการละอามาตนั้นจึงตรัสพระคาถาเพียงสี่บาทเท่านั้นอันโมทนาทานของพระราชาแล้วเสด็จลูกจากอาสนะเสด็จไปสู่วัคเชตวันพิสุททั้งหลายถามพระองค์คุริมารว่าไม่กลัวหรือที่ช้างดุราอย่างนั้นยืนถือเสเวยตจฉัดให้พระองค์คุริมาณตอบว่าไม่กลัวพิสุททั้งหลายจึงไปกราบทุลพระศาสดาว่าพระองค์คุริมาณพยากรอรหันตผลอวดตนว่าเป็นอรหรัน ไม่กลัวช้างหรูร้ายเห็นป่านนั้นพระศาสดาตรัสรับรองว่าพระองค์คุลิมานไม่โกลจริงเพราะภิกโุเช่นองค์คุลิมานเป็นผู้แก้วกล้าเช่นโคอุสุภราชในระหว่างโคคือพระขีนาสดทั้งหลายเป็นผู้ชนะอย่างประเสริฐแล้วไม่หวั่นไหว่วนพระราชาประเสิทธิทรงน้อยพระทัยว่าได้ถวายทานอันมโหลานป่านั้นแต่พระศาสดาทรงอนุโมทนาเพียงสี่บาทพระคาถาเท่านั้น น่าจะมีอะไรที่ไม่สมควรในทานอยู่บ้างพระศาสดาคงจะทรงทุนเพลิงพระไทยเปนแน่แท้พระราชารีบเสด็จไปสู่วิหารเชตวันทูลถามพระศาสดาในเรื่องนั้นพระพุทธองค์ตรัสว่าพระราชาได้ทรงกระทำชอบทุกอย่างทานนั้นได้ดำว่าอาสสทิสถานแต่ที่ทรงอนุโมทนาน้อยก็เพราะหวังอนุเคราะห์กาละอามาตตอบเล่าความคิดของอามาตทั้งสองให้พระราชาทรงทราบ พระราชาทรงคริวกาละอามาต์ตรัสว่าเราให้ฐานมากจริงแต่เราให้ของของเรามิได้เบียดเบียนอะไรท่านเลยฉนัยท่านจึงเดือดร้อนป่านนั้นดังนี้แล้วทรงในประเทศกาละอามาตออกจากแควนตรัสเรียกชุนหาอามาต์เข้าเฝ้าตรัสถามว่าจริงหรือที่มีความคิดอนุโมทนาฐานที่พระองค์ทรงกระทําแล้วเมื่อชุนหาอามาต์ทูลเราพระจริงทรงชอบใจและเลื่อนใส่จึงทรงมอบพระราชบัติให้เขาครองเจดวัน และให้ถวายทานได้ตามประสงค์โดยทนองที่พระองค์เคยทรงถวายมาแล้วพระราชาเส็จไปสูฉทนะพระศาสดาอีกครุว่าพระองค์ทรงดูการกระทําของคนทานเถิดเขาเหยีดหยามทานที่ข้าโระงถวายแล้วถึงป่านนี้ทรงหมายถึงการละหมาดพระศาสดาตรัสว่าคนตระหนีไปเทวโลกไม่ได้คนทานไม่สังเสรินทานส่วนนักราการอนุโมธนาทานอยู่จึงเป็นผู้มีความสุขในโลกหน้า รการอนุโมทนานั้นมีนัยยะดังทนานามาแล้วแต่ตน